เทศนาแผนที่76ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงคำในวันที่8กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าความอิจฉาได้ชื่อว่าพารชน วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนแปดแล้วก็เป็นวันที่แปดด้วยวันนี้โอ้ทำไมมันแปดมากเหลือเกินวะวันที่แปดแรมแปดค่าเดือนแปดอีกเป็นวันมงคลมหามงคลแปดสามแปดเนะวะแล้ต่อนี้ไปให้ผู้หมวดเป็นผู้พานำสมาทานศีลวันพระทุกวันพระ ถ้าว่ามีพี่น้องประชาชนมามากหน้าหลายตาหลวงพ่อเองจะให้ท่านจะมีการไหว้พระยออ่อแล้วก็สมาทานศีลห้าเป็นพื้นฐานส่วนผู้ที่จะสมาทานศีลอุโบสถนั้นท่านรู้อยู่แล้วว่าจะสมาทานอโบสถศีลก็สมาทานอุโบสถศีลต่อไปเลยผู้ที่จะมาทานผู้มาเข้ามาใหม่ต่คืออย่างน้อยก็มีศีลห้า จากโชระยะถ้าเป็นไปได้ถ้าได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยิ่งมีประโยชน์เพราะรักษาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจกายวาจาให้เรียบร้อยคนเราจะดีจ ะ, จะสวยจะงามจะมีคุณค่าขึ้นได้ก็เพราะความประพฤติเพราะมีศีลธรรมจริยธรรมคนจะมีศักดิ์ศรีดีงามต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ทำไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเอาพวกเราคิดดูสิถ้าอยู่ในระดับไหนก็เถอะถ้าเป็นนักโทษแล้วนะ่ะเป็นยังไงไปหมดธงาล่าสีไปหมดใช่ไหมเออถ้าว่าเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมถึงจะเป็น <c oughs> คนที่ยากจนเข้ามาบวชในพุทธศาสนาคนทั้งหลายก็ยังยกมือไหว้ถ้าเป็นผู้มีศีลมีธรรมเอ่อถ้าเว้นเว้นเสียแต่บวชเข้ามาแล้วทําโโลโกโศไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีธรร ม, มวินยัย อันนั้นก็ดูถูกเหมือนกันเพราะสรุปแล้วก็คือเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีจริยวัดที่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราคณะสัตยา ญ, ญาณโยมแล้วก็อย่างนั้นเหมือนกันนะถ้าว่ามีคุณธรรมศีลธรรมมีศีลธรรมอยู่ในจิตในใจในกับความประพฤติคนนั้นก็เป็นคนดีเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาสู่วัดวาศาสนาถึงจะมาประเดี๋ยวประดาวรือมาช่วงครั้งชั ว, ว่วคราวแต่ก็ มาประกอบคุณงามความดีให้มีศีลห้าอย่างช่วงวันพระอย่างนี้หลวงพ่อว่าก็ยังเกิดประโยชน์เพราะพวกเราทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีเข้าสู่กายวายใจใจของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยเล่าการสร้างคุณงามความดีซึ่งจะประเดียวประดาวชั่วครั้งชั่วคราวนิดหน่อย ก็คือคุณงามความดีคนโบราณเขาบอกว่าชั่วช้างกระทบหูชั่ว ง, งูแลบลิ้นเร็วขนาดไหนอันนั้นก็ยังเป็นคุณงามความดีอยู่นั้นวางกะนน ะ, ะพวกเราก็คงจะไม่ถึงขนาดชั่วช้างกระทบหูชั่วลูหูแลบลิ้นกัมังก็คงจะมากยาวกว่านั้นอยู่นะอต่อเ น, นี่ไปผู้หมวดเป็นผู้พาหนาไหว้พระสมท า, านศีลห้า อิมินากาลเลนาตั้งใจสมาทานศีลศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดำบรรมตั้งแต่โบราณโบราณรากการยุคไหนสมัยไหนถ้าหาว่ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมยุคนั้นสมัยนั้นมีแต่ความสุข ก, กายสบายใจ เพราะเหตุไรเพราะว่าไม่มีเรื่องที่จะต้องทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายถ้ายุคใดขาดศีลธรรมคุกตารางก็หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆยุคใดสมัยใดคนทำความชั่วคนโบราณเขว่านนรกลงหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆจนเทพเจ้าเหล่าเทวาอยู่ชั้นสวรรค์เขาวิตกกังวลอา้าวทาไมคนจึง ไม่ขึ้นสวรรค์ต่างมากอทําไมคนจึงตกนรกเยอะเหลือเกินเออแค่ว่าเมืองมนุษย์ของเรา เ, เป็นแดนกลางจะไปตกนรกก็ไปจากมนุษย์เป็นส่วนมากจะไปสู่สวรรค์ก็เป็นมนุษย์เป็นส่วนมากเพราะมนุษย์เป็นแหล่งหาเงินหาทองเป็นแหล่งบ่อเงินบ่อทองเป็นแหล่งที่เอสสแสวงหา บุญกุศลเข้าสู่จิตใจเป็นแหล่งหาเงินปูดเงายๆแต่หว่าผู้ไรขี้เกียจพ่อมาแล้วก็มีตะขายยาบ้ายามา้าจับเข้าคุกแต่ผู้ไรทำมาค้าขายเลยอา้าวขึ้นไปเป็นคนรวยส่งขึ้นไปอีกประเทศหนึ่งพรา น, น, น้คนที่มากันเลยติดในอบายยมกุกติดในเรื่องความเสียหายก็เลยลงไปนรกมาก เทพเจ้าเหล่าเทวาหยุ่ชั้นสวรรค์ก็เลยเอ๊ะทำไมคนจะไม่ขึ้นมาสวรรค์มากลงไปสืบสอบดูสิลงไปสืบสอบดูโอ้ใช่คนทำความชั่วมากเอจากนั้นเทวดาก็บันดลบันดาลอให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ อ, อันนี้ท่านอยู่ในตำราของท่านนะนในตำราในพระไตรปิฎกนะหลวงพ่อก็พูดตามตำราแต่ตามวิจิตรมันก็ใช่มันพิจนารณานด้วยหลักเหตุผลแล้ว ถ้ายกใดสมัยใดมั่วกันแต่แต่เรื่องออสิ่งที่มันชั่วช้าเสียหายนะจับเข้าคุกไม่หวัดไม่ไหวจนล้นคุกนะแต่ช่วงไหนที่ส่งเสริมกันในทางที่ดีธรรมมาค้าขายประเทศของเขาเจริญด้วยการธรรมาหาเลี้ยงชีพมิจฉาชีพไม่มีมีแต่สัมมาชีพประเทศเขาคุกตารางก็ไม่ค่อยมีคนเข้าคุกก็น้อยเพราะเหตุไรเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความ ร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้วต่างคนก็ต่างเห็น อ, อกเห็นใจกันนี่แหละถาหาว่าประเทศไหนมีแต่เรื่องความ ช, ว ช, าชั่วช้าเสียหายกับอย่างที่ว่านะคุกก็แน่นขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะขาดจริยธรรมเพราะนั้นวันนี้พวกเราก็มาประกอบคุณงามความดีมาสมาทานสินตามโบราณนาการที่ท่านบอกว่าสินขุมของโลกโลกทั้งโลกทามีศินและมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข การอยู่ด้วยการก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะเหตุไรเพราะไม่มีที่รับที่แจ้งเพราะเราเป็นต่างโขนก็ต่างเป็นผู้มีสินมีสัจจะมีสินด้วยกันทุกคนเพราะนั้นวันนี้พวกเราจึงได้มาถึงสู่วัดวาศาสนาแล้วก็ทำพิธีไหว้พระสมาทานสินอย่างน้อยใกรและเลือกถึง ศีลของพระพุทธเจ้าเป็นศีลที่มีคุณค่าเป็นศีลที่คุ้มครองโลกให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขมานานเท่านานมาถึงยคุคเราเราก็ควรจะรับรู้รับทราบหรือถือต่อไปนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะในนี้ผูกตีงยันติตัดสมาสีลังวิโสทาเยาสาธุ วันนี้เป็นวันที่แปดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานหลวงพ่อได้ให้พระในวัดของเราไปคารวะศพของหลวงปู่อ่ำจังหวัดเพชรชบูรณ์เมื่อวานและเพชรโนโลกไม่ทราบเเมื่อวานไปรถตู้ไปทันนำพระแล้วก็คณะัตทธธาย ย, ยาศญาติโยมไป หลวงพ่อก็ได้จัดัจตุปจจไปถวายร่วมงานท่านวัดของเราในสองเมืนแล้วก็ผ้าไตรห้าไตรผ้าขาวห้าไม้ไปถวายครวะหลวงปู่อ่ำพระหลวงปูอองป่อ่ำเป็นสหธรร ม, มิกเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดกับหลวงปู่จันทาที่จังหวัดพิจิตร หลวงปู่จันทาท่านพรจากไปเราเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวพอลงมาหลวงปู่อ่ำท่านกัมีอายุพรรษามากท่านปวดเมื่อยภายแก่บ้างนะแล้วก็ท่านมรณภาพก็จะไปชุมเพลิงไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเดือนคงจะเดือนนี้มาคงจะออกโขงก่อนเข้าพรรษาคงจะใกล้ๆหลวงปู่ทองพูนหลวงปู่ทองพูนกับวันที่19บนะคะนะสทาญาทโยม แต่หลวงพ่อคิดว่าองค์ปู่องพูนหลวงพ่อก็ให้พระไปรอบหนึ่งแล้วละแล้วก็ตกก่อนที่จะประชุมเพลิงพระราทานเพลิงท่านหลวงปู่องพูนหลวงพ่อคงถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหลวงพ่อจะไปนะไปก่อนนะเพราะว่าระยะทางไกลเลือเกินหลวงพ่อจะไปอะไรทุกวันนี่ต้องคิดรอบคอบกลับมาจะกลัวจะป่วยเป็นภาระให้ลูกให้หลานอีกต่างหาก หลวงพ่อไปแต่ไหนหลวงพ่อก็ต้องคิดอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันพอกลับมาหลวงพ่อก็ถามว่าไปกลับเท่าไหร่ไปกลับสิบสองชั่วโมงครับหลวงพ่อไปหกชั่วโมงกลับมาหกชั่วโมงโถ้าหลวงพ่อไป <c oughs> คงไม่ไหวแลวลูกหลานขนาดนั้นนะเนะ่หลวงพ่อต้องได้คิดหนักนะคณาจ า, า, ายญาติโยมลูกหลานอย่างหลวงพ่อทองพูปูทองพ น, นึงก็เหมือนกัน อย่างน้อย8ชั่วโมงไปกลับนะ8หรือ9ชั่วโมงไปอำเภอบึงการจากวัดของเรา น, นี่แหละเป็นระยะทางไกลพอสมควรอันนี้ก็เเราใอ้พวกคณะัทธายาโจงฟังและขาววันนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้มอบเครื่องแบบให้เจ้าหน้าที่น้พี่น้องลูกหลานคณะกรรมการแห่งวัดของเราะท่านผู้กำกับท่านก็มาพูดกับหลวงพ่อหลวงพ่อกว สงเคราะห์คนอื่นหลวงพ่อยังสงเคราะห์ได้เป็นล้านๆแต่สงเคราะห์พวกผู้อยู่ใกล้ของหลวงพ่อเนี่ยทําไมจะให้ไม่ได้สาธารณณะหลวงพ่อคือเอาเพราะฉะนั้นจึงได้มอบให้วันนี้จะมอบเครื่องชุดคาดชุดตํารวจนะสพนายงจํานวนสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าชุดนะเพราะอำเภอนายงของเราเนี่ยก่อ ถ้าจะบรรจุเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คงจะหลายเกือบเป็นร้อยมันกันบ้างหลวงพ่อว่าเนีหลวงพ่อก็เคยถามเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าต่างคนก็ต่างมาแล้วก็ต่างคนก็ต่างอําเภอสุดท้ายปลายแดนใครใครก็อยากอยู่ในใกล้บ้านใกล้เมืองใกล้บ้านตัวเองเพมาอยู่ไกลทิ้งกันดานเพราะนั้นจึงมีตํารวจอยู่49ท่านแล้วก็หลวงพอ่อก็ให้ท่านผูก้กำกับ นั่งอยู่ต่อหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่นะฮะอ้าวหลวงพ่ออนุมัติอนุญาตก็เลยไปตัดชดมาทั้งหมดสี่สิบเก้าชดเป็นชดละสอง0ันแดเป็นเงินเป็นเงินหลวงกว็ามากพอสมควรนะสำหรับเรานะสำหรับคณะกรรมการวัดของเราหนึ่งแสสามืนเจ็ดพันสองร้อยบาทจะได้หมอกวันนี้นะพอฉันจะหารเสร็จ น, นนะหลวงพ่อก็จะเป็นกับ คณะกรรมการก็จะได้มอบให้ท่านผู้กากับให้มอบให้ตารวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อจะได้ดูแลคุ้มครองประชาชนในถิ่นของเราให้ได้รับความสงบพร่งเย็นเป็นสุขมีอะไรนเนี่ยที่พอที่ทางวัดทางวัดคณะกรรมการจะช่วยได้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นมีอะไร <c oughs> จตุปัจจัยไม่ใช่ของหลวงพอ่อเป็นปจัจจุกจตุปัจจัยของพี่น้องประชาชนมาจากจารตรฐิศ์มาถวายให้ถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เก็บเก็บพอจะเกิดประโยชน์กับชุมชนกลุ่มใดต่อโรงเรียนต่อโรงพยาบาลต่อเครื่องมือแพทย์ที่ไหนหลวงพ่ อ, อก็มอบมอบหมายหมายให้จะเป็นวัดวาศาสนาหลวงพ่อก็ไม่ได้เคยลดละล ะ, ละทิ้ง สงเคราะห์วัดก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่า จ, จะตุปัจจัยที่มาได้ถวายมาก็เป็นช่วยสงเคราะห์วัดส่วนหนึ่งสงเคราะห์พี่น้องประชาชนผู้ที่มามีความจําเป็นในชีวิตอย่างหลวงตาท่านเคยทําขนาดหมาพิการหลวงตายัางช่วยสงเคราะห์นะพวกเราท่านทั้งหลาย ถ้ามีความจําเป็นเราก็ต้องช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะว่าเพื่อความผาสุขร่มเย็นเป็นสุขในพื้นแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนทั้งหลายก็ต้องอยู่ได้พี่น้องประชาชนอยู่ได้เพราะพุทธศาสนาก็จะต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนต่อไปเพราะฉะนั้นพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน อันนี้แหละการสงเคราะห์หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างอื่นนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติยมมีแต่อยู่ด้วยกันก็ให้อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเออคําว่าอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนเบียดเบียนซึ่งกันและกันหลวงพ่อไม่อยู่ในจิตใจของหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่คิดดูแล้วก็มีแต่ช่วยอืมสงเคราะห์แต่หลวงพ่อกอ็มาพูดให้ใครต่อใครฟัง หลวงพ่อว่าเอ๊ทุกวันนี้ถ้าเราศึกษาดูศึกษาแบบเป็นใจเป็นกลางๆลซะ ก, ก่อนนะ อ, อย่าให้จิตใจมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะอย่าให้มันอย่าให้มันมาเข้าข้างตัวเองแล้วก็อย่าเอาไปส่งไปหายาติโกโหติการที่เรารัก เ, เมตตาแล้วเราจะไปส่งไปถึงคนที่เราอิ่ เราไม่พอใจอิจฉาพยาบาทมันมีทุกคนนั่นแหละแต่ท่านี้เราทําจะให้เป็นกลางกลางยืนอยู่ตรงกลางไม่เข้าข้างใครทั้งหมดให้อยู่เป็นกลางเรามองมองดูแล้วนะหลวงพ่อนอบมองเลยนี่นเยเมืองไทยของเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนาเป็นเมืองของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนศีลธรรมจริยธรรมเป็นเมืองของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ พวกเรามีเมตตาต่อกันให้รู้จักสำ ม, มาคราวะต่อกันให้มีผู้น้อยผู้ใหญ่การอยู่ด้วยกันแต่ทําไมเมืองไทยของเราจึงหนักไปทางอิจฉากันเคํานี้ละคําว่าอิจฉาคํานี้ละเออมันก็มันพอมีอิจฉาก็มีพยาบาทตามมาอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมันไปในลักษณะแถวนั้นเท่านี้เออแต่มาพิจารณาอีก ม, ม, มุมดีอีกมุมหนึ่งอีกหลวงพ่อ มันก็เป็นมาตรดึกดําบันพ์เหมือนกันนะขนาดพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้ตัดสู้พระเทวทัตยังจะไปแย่งเอาตําแหน่งพระพุทธเจ้าอีกจนถึงครั้งสุดท้ายจนแผ่นดินสูกลงถึงจนถึงคางพอพ้นคอขึ้นมาเลยมันจะแผ่นดินมันจะหุบลงไปปืนบนหัวนะพระเทวทัตก็เลยพาถึงคางอะไรเชงเง้อขอจึงเห็นโทษ เห็นโทษว่าตัวเองเนี่ยทาไม่ถูกเออที่ได้อิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้าตัวเองทําไม่ถูกเห็นโทษเออได้เอาคางเอาขากันไกลคือคางเนี่ยเป็นดอกไม้ทูบเทียนคารวะข้าพเจ้าเห็นโทษข้าพเจ้าเห็นความผิดข้าพเจ้าอทําไม่ถูกขอพระพุทธเจ้าโปรดอโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยนะอเทวทัต จากนั้นก็แผนดินสูบลงไปสรุปแล้วก็คือความอิจฉาเหมือนกันในตํารานะจากนั้นก็ลงมาเรื่อยๆแต่หลวงพ่อว่าสาเหตุแห่งความอิจฉานี่จุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นแล้วว่าจุดตรงนั้นมันคืออะไรหนะลวงพ่อก็อดที่จะวิเคราะห์ไม่ได้เหมือนกันนะหลวงพ่อว่าคงจะไม่คงจะไม่ดูประวัติศาสตร์หลวงพ่อว่านะคือประวัติศาสตร์ความเป็นมาแต่ละท่านแต่ละคนเ คนที่เรียนทั้งสือเก่งมีกิริยามารยาทที่ดีมีตระกูลเวลาเขาเข้าทำงานเขาก็ต้องไปได้ดีเพราะเขาเรียนเก่งแล้วก็มีเฉลียวฉลาดไปถูกช่องถูกทางอีกต่างหากหน้าที่การงานของเขาก็ต้องไปได้ดีแต่ตัวเองนี่ยสมทะเลเทเมาหัวทื่ออีกต่างหากกิริยามารยาทเก็ไม่ดีอีกต่างหากแล้วจะได้ดีบได้ดีจะไปได้ยังไง แต่นี่พอไปไม่ได้ก็อิจฉาคนอื่นเขาที่เขาไปได้เท่นีนี่แหละอ้ น, นี้ก็คือความอิจฉาสรุปแล้วก็คือเราไม่ได้มองถึงประวัติศาสตร์หรือประวัติของเขาที่เป็นมา อ, อ, อย่างพระในครั้งพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสร็จแล้วท่านก็ตั้งอัครสาวกอัครสาวกนั่นเป็นคล้ายๆว่าเป็นมือขวามือซ้าย เป็นคล้ายๆคนเราเนี่ก็ต้องรองนายกหรือว่ารองนยสําคัญเป็นผู้บริหารแทนพระองค์เลยตอนนี้พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดสัตวแล้วท่านก็นตั้งภาษาริบุตรเป็นอัครสาวกทางขวาพระอัครพระสาริบุต ร, รเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้เฉลียวฉลาดารอบรู้มากแต่สมัยเป็นอยู่ทางโลกเขาก็เลื่องลือกันว่าภาษาลิบุตรสารีลบุตรเนี่ย เป็นผู้มีปัญญาเลิศแต่ก็เป็นคูเ่เป็นเพื่อนกับกับโมกขลาเป็นตระกูลเศรษฐีด้วยกันในกรุงราชคฤห์นะแต่นล้นพ่อองค์ก็ตั้งโมกขลาให้เป็นอัครสาวก ข, ข้างซ้ายเท่านั้นแหละพระสงฆ์ทางหลายเคยคายๆก่ อ, อ, อ, อแสดงปฏิกิริยาบอกว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่น้าเห็นแก่พักแก่พวกเห็นแก่น้าแกตาทาไม่ โกนทัญยะวะปะพัตยะมหานามะอัจะชิชดินสามพี่น้องอุรุเวลานาทีกัสปะที่บวชก่อนมี่ยมีตัเยอะแยะไปทําไมเห็นแก่หน้าทําไมถึงให้โมกคลากระสาลีบุตรแสดงเหมาะพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นแก่ล่ําเห็นแก่ความล่ํารวยพรอโมกคลาเนี่ยเพราะสารีบุตรเป็นลูกเศรษฐีในกรุงราชคกุลเนี่ยรวยที่สุดใครก็รู้ตั้งเท่าไหร่แปดสิบล้านแปดสิบโกดไม่ใช่แปดสิบล้าน ลึกมากกว่า น, นั้นอีกโมกคลาก็าเหมือนกันตระกูลเสมอกันเพราะฉนั้นอยากพ ร, พระพุทธเจ้าเห็นแก่ความร่ํารวยของอโมกสารีบุตรกับโมกคลาท่านจึงได้ตั้งใหเ้เพื่อตัวเองจะเป็นเครื่องบรรลังคาตัวเองพระพุทธองค์บอกว่าไม่ใช่เรียกประชุมส่งไม่ใช่ที่เราให้โมกคลากับสารีบุตรเป็นกรรมเก่าของเขาในอดีตเราให้ตามบุพกรรมเรารู้ ว่าโมกคาลาการสาลิบุตรนี่เป็นยังไงเป็นมาอย่างไรไม่ใช่ในปัจจุบันนะมันมาในอดีตนะเราก็เหมือนกันที่เราได้จัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราเป็นมาอย่างไรเราก็รู้แต่สมัยเราบำเพ็ญอยู่ที่ที่เราได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นผู้พยาบาลเป็นผู้ออบอกกล่าวและเป็นผู้ บอกว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตเดีวได้รับพยากรณจากพระพุทธเจ้าทีปังก่อนเรารู้นะไม่ใช่ว่าเร า, ม า, ม, ามาเกิดชาตินี้จะได้เป็นเป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่เราได้สั่งสมบัรมีมาม า, มากต่อมากต้นสี่อสงไขยกําไรแสนมหากรัปจะเราจึงได้ได้มาจึงได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นี่ความเป็นมา น, นี่สาเรบูตรกระโมกคลาก็เหมือนกัน เขาตั้งความปรารถนาไว้ในพระสาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะสี่สองอสงไขยผู้ที่จะเป็นอัครสาวกนี้ต้องสร้างสรบารมีสังสมบา ร, รมีมาสองอสงไข่เนี่ยสมัยนั้นสารีบุตรเป็นลือศีอยู่ในป่ามีบริวารเป็นหมืน่นอยู่ในป่าหิมะผ่านเป็นผู้หอกเหินเดินฟ้าไดอีกต่างหาเป็นผู้มีอิทธิฤทธ โลกิยาโลกิยะนะี่ยหรือสีหหอะได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่โลกุตตะระโลกุตตะระเนี่ยปลว่าทองคําโลกิยะเนี่ยเป็ว่าทองชบพท่นั้นแต่แอบแปลว่าเสื่อมได้แต่นี้สาราบุตรเนี่ยท่านอยู่ในป่ามีบริวารมากพระพุทธเจ้าไปโปดรดภาษารล่บุตรเพราะภาษารล่บุต ร, รเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างมากต่อพระพุทธเจ้าแต่นี้นพระพุทธเจ้าท่านก็ออักระสาวก ซ้ายขวาไปด้วยไปนั่งทั้งสองข้างให้ครับว่าท่านรู้แล้วว่าสาริบุตรเนี่ยจะต้องเป็นต้องปราถนาเป็นพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านรู้วาราจิตไว้แล้วนะแต่นี้ท่านก็นําพระสาวกของท่านทั้งสององค์ซ้ายขวาจะก็พร้อมกับบริวารพระสองฆ์อีกเป็นหลายหมื่นพอไปลงน่ะพระสารีบุตรก็นี่แหละที่เป็นหัวหน้าอ่ะ บอกพระสงฆ์ไอ้บอกบริวารของตัวเองเอา้าวพวกเราอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าจะเด็จมาถึงที่พวกเราแล้วพวกเราต้องทำบุญไอ้ภาษาลิบุตรกันเนี่ยเป็นหัวหน้าให้ลูกน้องบริวารแต่กระจุยกระจายไปคนนั้นแห่งละหนไปว่าหมากไม้ผลไม้อยู่ที่ไหนยอยู่ในป่าตรงพงไัยป่าหิมะผ่านใครเห็นอันไหนมีขนผลไมกลากไม้มา มาก็ถวายพระพุทธเจ้ากับพร้อมกับพระสงฆ์พระองค์พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ท่านก็เสวยผลลไม้ของลือศีที่อยู่ในป่าถวายท่านจากนั้นพลือศรีที่อยู่ในป่าที่เป็นหัวหน้าพระพุทธองค์ก่อนเนี่ยดูก่อนพวกเราท่านทั้งหลายลือศีทั้งหลายนี่ที่อยู่ทางขวามือของเราเนี่ยคือเป็นอัครสาวกเป็นผู้เลิศกว่าสาวกของเราทั้งหลาย เป็นผู้มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในลูกสิษย์ตถาคตเพราะนั้นเนี่ยองเนียเป็นอัราสาวกข้างกวาองค์นี้เป็นสาวกข้างซ้ายของเราเป็นผู้มีอิทธิฤทธิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้สติใช้ปัญญาในไปในทางอิทธิฤทธิเหาะเหินเดินฟ้าได้ในบรรดาศิษย์ของเราเนี่ยองเนียเป็นผู้มีฤทธิ์มากกว่าลูกศิษย์ทั้งหลาย ตอนนี้พระฤาษีได้ยินได้เห็นอย่างนั้นโอ้ข้าพระองค์นชอบองค์นี่แหละอ ง, องค์ใหญ่นี่ยองค์ผู้มีปัญญาเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าข้าพระเจ้าข้าพระองค์ขอตั้งความปรารถนาต่อพระพุทธองค์ข้าพระองค์ขอเป็นเเป็ น, ปนอัครสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตตามที่พระองค์เด็พระยะที่ได้บอกว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายองค์เนี่ยข้าพระองค์ชอบอการสั่งสมบรลมีรของพระสาวกอัครสาวกท่านนี้พระเจ้าค่ะเพราะพระองค์ท่านก็มองดูอดีตอนาคตไปมองมองมอ ง, มอ ง, มองดูเออใช่ความปรารถนาของเขาจะได้สำเร็จจริงเพราะพระองค์ก็พยากรเลว่าดูก่อนดอสีจากนี้ไปยาวนานท่านจะได้เกิด ในกรุงราดจะคืบและท่านจะได้ออกบวชจากนั้นท่านจะได้รับพยากรท่านจะได้รับ เ, เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคตมะเป็นอัครสาวกทางขวาด้านขวาท่านจะชื่อสารีบุตรในชาตินั้นท่านจะได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าชื่อพระโคตมะจากนี้ไป ท่านลือสีที่เป็นหัวหน้าลือสีก็สาธุกินดีรับจะเกิดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่กี่แสนชาติก็เถอะข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นจะได้ได้บาเพ็ญจะได้เป็นอัครสาวกแต่นี้ท่านก็มองเห็นเอเราจะเอาใครเนาะเป็นอัครสาวกทางซ้ายท่านก็มองเห็นเพื่อนของท่านที่อยู่ในเมืองเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองอท่านลือสีนี่ก็เหาะมาเอกมาหาเพื่อนเพื่อน เราปราถนะเป็นนักรสาวกของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะเธอจะเอาสาวกข้างซ้ายไหมเป็นผู้มีริทมีเดตผู้นี้ก็มีอุปนิสัยอยู่แล้วใช่ไหมที่เป็นเพื่อนหรือเศรษฐีเนี่ยอ้าวใช่ใต้ครับเนี่ยอาจารย์นะเพื่อนจากนั้นท่านก็เลยตั้งปรามขึ้นมาในมรรคพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงค์ม้ฉันอีกถ้าไว้พระตาหาได้เจ็ดวันเออเจ็ดวันทําบุลใหญ่เท่า้น เสร็จแล้วก็ลือศีเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาไวอขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นอัครสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตที่เป็นเพื่อนกับท่านพลือศรีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าหมกมองถุแล้วอืสําเร็จได้พวกองค์บัญญัติพวกก็พยากรณนะ์อ้าวท่านลือศีจะได้เป็นอัครสาวกทางด้านซ้ายของพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่อว่า พระโคดมพโคดมพระพุทธเจา้าพระโคตมะโ ค, ตมะโคตมโคดในยุคสมัยนั้นสาริบุดเป็นทางด้านขวาโมกคลาเป็นทางด้านซ้ายอันนี้ก็คื อ, อคือความพยานกรของพระพุทธเจา้าองค์นั้นจากนั้นท่านก็เวียนไห้ตายเกิดในวัฏสงสารตอนจะมาถึงชาตินี้เนี่ย มาถึงชาตินี้เมื่อเราได้ดัตโธพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาตเราก็ให้ตามกรรมหรือว่าตามที่เขาปรารถนาอในคราวนั้นเราให้ตามความปรารถนาของเขาเราไม่ได้เห็นแก่หน้าเราไม่ได้เห็นแก่ตาให้ตามความที่เขาปรารถนาออย่างนี้พระพระอรนนท์ก็เหมือนกันพระอานนท์ก็พระพุองค์บวชมาอายุมากขึ้นสี่สิบกว่าปี สีกว่าท่านก็อยู่ลําบากไอ้ใครว่า อ, อุปถากนะบางทีก็สัมมาเนนบางอุปถากภ์พระพุทธเจ้าบางทีก็พระบ้างแต่ที่บางทีก็ขาดตกบกพ่องจนันทนพระ อ, องค์ก็ประกาศหาพุทธอุปถากทีนี้นก็พระสงฆ์ทลายก่อนแสดงกันมาตั้งแต่พระสารีบุตรโมกคลาขอเป็นเป็นพุทธอุปถากของพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็เลือกเลือกผลในสุดพระโมกษ พระษารลบุตรไอ้พระอานนเนี่ยเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจา้าเป็นลูกน้องชายของพ่พอของพระพุทธเจ้าพระเจ้าจุโธนีพระเจ้าจุโธธนะเนี่ยคือเป็นพระบิดาของพระพุทธเจา้าสุโกธนะโธโตธนะอันนั้นเป็นน้องชายของพระเจ้าจุโธทนนะพระอานนเนี่ยเป็นลูกน้องชายของพระเจ้าจุโธธนะเอ่ เรื่องเป็นลูกน้องเป็นพวกผู้น้องเป็นถ้าหากว่าเรียกกับพี่น้องพระพุทธเจ้าเป็นพี่พระอานนท์เป็นน้อง้าเ ร, เรียกตามเชื้อพระวงนะแต่นี้พระพุทธองค์ก็ให้พระสงฆ์ทั้งหลายเลือกกันผลที่สุดพระองค์พระองค์งก็บอกว่าเนี่ยเอาพระอานนท์พอกพระอานนท์แสดงจดเยินด้วยว่าวิสัยทัศน์ในที่ไปชมวิสัยทัศน์ ของพระนนท์มีทั้งสิบข้อนะแต่หลวงพ่อไม่ไม่อธิบายเพราะว่าถ้าอธิบายคงจะไม่ได้ฉันกันหันวันนคงจะยาวนะอพระสงฆ์พระพุทธองค์เอาถ้า ง, งั้นเอาพระนนท์เป็นพุทธอุปถาพอตั้งพระนนทเป็นพุทธอุปถาคนทั้ทงหลายก็พระทั้งหลายก็ดูโูกันอีกล่ล้วแต่เนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเอาน้องชายมาเป็นพุทธอุปถาอย่างนั้นไปอีกแต่พระองค์นนบอกว่าไม่ใช่พระอนนท์ตั้งของ เรารู้ว่าเขาตั้งความปรารถนามาจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเขาปรารถนาจะเป็นขอเป็นพุทธอุปัฏเพราะฉะนั้นเราให้ตามตำแหน่งและให้ตามคําที่เขาปรารถนามาแล้วนะนี่แหละอันนี้ถ้าว่าเรานึกอยู่ดึกดูประวัติศาสตร์คนเราได้จะเป็นขึ้นมาได้แต่ละร ะ, ะดับนะมันก็ต้องเป็นมามิดเป็นไปซะก่อนแต่ผู้ที่อิจฉาไม่เป็นอย่างนั้ น, นเออเห็นเขาได้ดีแล้วก็ เเห็นเขาได้ยินได้ยินเรื่องของเขาหลอกควันออกหูในเมื่อเห็นเขาหรอกควันออกตาเนี่ยเขาบอกควันคืออะไรคือควันของกิเลสไอจ๋าเนี่ยคือความกิเลสควันหรือคือกิเลสความร้อนในใจเกิดโกรธเกิดโทสะขึ้นมาเมื่อได้ยินเนี่ยคืควันคือมันร้อนเนี่ยควันกิเลสก็คือโทสะควันออกตาควันออกหูอะไรต่อไอ่ะเพราะหะไรเพราะว่า ความอิจฉาอยู่ในจิตใจแต่ถ้าเากว่าเราได้ศึกษาในประวัติศาสตร์แล้ ว, วศึกษาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาทุกคนต้องเป็นที่ไปที่มาทั้งหมดถ้าเราอยากจะอยากจะดีเราก็ต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทําการทำงานดีศึกษาดีเป็นคนดีกิริยามนรษาด์ดีในเมื่อดีเข้าไปแล้วเรายังไม่ได้ดีแสดงว่ากรรมเก่าของเรา เราคงจะไปทำอะไรไว้กับในอดีตชาติกรรมในอดีตชาติเขาคงจะมาปิดบังมาหลังแกมาทำให้เราตกอับได้เพราะว่ากรรมกรรมคำนี้น่ะมันมีมาทั้งในอดีตนะคณศจารย์ญาติโยมลูกหลานในไปเมื่อคาวที่แล้วไปกรุงเทพเขาก็ถามหลวงพ่อเหมือนกันทำไมท่านคนที่ทำแต่เรื่องดีๆที่เห็นว่าดีๆทั้งหมด แต่ทาไมหน้าที่ตําแหน่งเขาไม่ได้ดีทำไมมีแต่เรื่องเร็วร้ายมาหาเขาทั้งที่เขาเป็นคนดีแต่คนที่เร็วๆทำไมจึงได้ดีมันเพราะอะไรนี่แหละคนทั้งหลายจึงไม่อยากจะทำคุณงามความดีคนดีทําดีแล้วไม่ได้ดีคนเร็วทําดีทําชั่วขนาดนะั้นกลับได้ดีนี่แหละคนทั้งหลายเขาจึงไม่เชื่อว่ากรรมคือการกระทา หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอืถ้าจะว่าไปในยุคปัจจุบันหรือวันมองในปัจจุบันมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าตามมองตามแนวแถวของพุทธหรือว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มองไกลกว่านั้นนะท่านให้มองถึงอดีตด้วยเนี่ยไม่ใช่ดีอดีตในปัจจุบันด็อกเกิดตั้งแต่เกิดมาไม่ใช่วิญญาณก่อนที่เราจะเกิดมาในอดีตชาติเนี่ยเราไปทํากรรมอันไหนไว้แต่ถ้าว่า พระหัน์หรือว่าผู้มี ห, หูทิพตาทิพรู้อดีตอนาคตจนวาปุกเพนิวาจูตูปปาแต่ตตยานถ้ามียาณรัตนะอย่างนั้นแล้วท่านจะรู้ได้ว่าดวงวิญญาณดวงเนี้ทำไมเกิดมาพบนิชาตินี้เขาเป็นคนดีแต่ทำไมเขาจึงมีแต่เรื่องเรวร้ายสำหรับเขาท่านก็จะได้มองมองมอ ง, มองดูอือใช่ ในอดีตแต่ชาติของเขานะเขาทํามีแต่เรื่องเรีวร้ายแต่ใช่ชาตินี้เขาทําดีแต่ชาตินั้นอนะ่ะแต่ชาตินี้เขามาพบมาเจอคนดีมาจบบ้างพบมาเจอบัณฑิตนักปราชญ์เขาก็เลยเป็นคนดีไปตามบัณฑิตนักปราชญ์แต่คชาวที่แล้วนะ่ยเขาไปคบพาละชนพาละชนพาเขาทําความชั่วเสียหายมากต่อมากเพราะฉะนั้นกรรมตัวนั้นอนะ่ะกรรมที่เรากับเขาทำเมื่อชาติที่แล้วนะี่ยมันกําลังให้ผลอยู่เดียวเนี่ยมันกําลังให้ผล เขาจึงได้รับแต่ความทุกขระทมในจิตใจแต่เอาเถอะท่าเขายังคาดเขาเหม็นทอถอยเขาทําประกอบคุณงามความดีในชาตินี้เพราะเมื่อชาติต่อไปแล้วกรรมดีในชาตินี้จะให้ผลชาติต่อไปในภายภ า, ยาคหน้านี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบันชาตินี้ชาติเดียวนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้น ออท่านจึงว่ากรรมชั่วทั้งจะทําในภพใดชาติใดขณะใดเวลาใดก็ตามมันจะให้ผลสืบเนื่องไปในอนาคตกรรมชั่วอย่าทํำเลยดีกว่าเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังคําว่าภายหลังคํานี้ไม่ใช่แต่ในชาตินี้นะชาติต่อไปอีกชาติต่อไปอีกอย่างพระโมกขาา์ฆราาพ่อแม่ของท่านถึงห้า้อยชาติถูกฆ่าอยู่ตลอดเลย ทั้งที่มาชาตินี้พระโมคคลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้ามีแต่ทาคุณประโยชน์ให้กับพุทธพุทธศาสนาทําคุณประโยชน์ให้กับศรัทธาญาติโยมเป็นที่นับหน้าหรือตาเป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์แม่ท่านเป็นคนดีจริงแต่ผลในสุดโค้งสุดท้ายชีวิตของท่านถูกโจรฆ่าที่เมืองกาฬสิลาเขตแขวงกรุงราชเกือ พรสงฆ์ทั้งหลายศรัทธาญาติญาติโยมทั้งหลายอกระโจดขานกันเลยพระโมคคลาท่านเป็นคนดีมีฤทธิ์มีเดชอีกต่างหากหาะเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหากทําไหมจึงมาให้โจรฆ่าได้คนทั้งหลายก็พูดกันไม่น่าจะเกิดอย่างนี้ขึ้นก็มากล่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพว่าโมคคลาตายสมควรแ ก, ก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้ในอดีต พระสงฆ์หลายกระลาบทูลถามพระพุทธยาวกรรมอันไหนหนอพระเจ้าค่ะพระโมคคลาธรรมจึงใหญห่หลวงนักจนถึ ง, ถงกับถูกฆ่าอย่างนี้พระโองค์บอกว่าโมกคลาฆ่าพ่อกับแม่ของท่านออทําอนันตริยกรรมหามาา้ามาทุกขาฆ่ามารดาบิตุฆาตฆ่าบิดาจากนั้นพระโมคคลาจึงมาชาตินี้กรรมตอนนั้นให้ผลยังไม่หมดจนถึงถูก ถ, ถูกฆ่า ีละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นการอิจฉากันก็ดีการพยาบาทอาฆาตจองเวรกันก็ดีต่างคนต่างมีกรรมของใครของเราต่างคนต่างเกิดมาต่างคนต่างใช้กรรมของใครของเราเพราะนั้นพวกเรามาอยู่อยู่ด้วยกันมากน้อยไปอยู่ณสถานที่ใดก็าตามต้องพยายามมองดูกรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน กรรมของข้าก็ไม่เหมือนกันไอ้คนโบราณจึงบอวกว่ากรรมใครกรรมมันกรรมอิฉันต่างหากเทว่าน่ะไอกรรมใครกรรมมันกรรมอิฉันต่างหาสรุปแล้วก็คือต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเราดันั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแล้วนะ่ะหลวงพ่ออินนะ่ะให้ดูให้ดีในความอิจฉาพยาบาทไม่ควรจะเกิดขึ้นในจิตใจมองดูให้มองดูอดีตอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวได้แนะนํา มันมีกรรมข้องไข่คล้องเราทั้งหมดน่ะนะ เ, เขาได้ดีก็คงจะเขาคงจะทําความดีไว้ในอดีตนะ เ, เขาจึงได้ดีถ้าเขาเขาทำกรรมชั่วเอ๊ยทำไมเขาทํากรรมดีในชาตินี้แต่เขาทําไมกลับได้ชั่วเราก็ต้องมองอือเขาคงจะเคยเคยทำกรรมชั่วไว้ในอดีตกรรมชั่วเขากําลังให้ผลเราก็จะทํำยังไงได้พอเราจะช่วยเหลือได้เราก็ช่วย แต่ถ้าเราช่วย ช, ช่วยเหลือไม่ได้เราก็ต้องวางอุปเปกขาจะว่ายัางไงสรรพสัตว์ในทั้งหลายมันอยู่ในโลกนี่เมตตากรุณามุติตาอุปเปกขาเนี่ยในทำคําสอนของพรนะพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเมตตาจนงฉุดๆไม่ถึงขนาดนั้นนะจนตัวเองล้มหายตายเพราะความเมตตาไม่ใช่ท่านให้มีเมตตากรุณาเมตตากรุณาอุปเปกขาเนี่ยต้องวางต้องวางเฉยอีกต่างหากนะ ถ้าเราช่วยไม่ได้นะนี่แหละแต่พอเราช่วยเนดะ้วเราก็ต้องช่วยช่วยอย่างสุดๆดสุดความสามารถ น, ะนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาสรุปแล้วก็คือพระพุทธองค์ให้ใช้ปัญญาเป็นหลักนะให้ใช้ขันติให้ใช้วิเดยะให้ใช้ศรัทธาแนละ้วก็ใช้ปัญญานะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่รอบครอรอบรู้ อันไหนเป็นยังไงอันไหนเป็นยังไงสาเหตุเพราะอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีเหตุมีผลอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราท่านทั้งหลายใช้เหตุและใช้ผลใช้ปัญญาในการพิจารณาและการเป็นอยู่รอบครอบพวกเราจะรมเย็นเป็นสุขทางจิตใจถ้าเรารอบครอบแต่ถ้าเรามีแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ ความรอบคอบแล้วมันมันเกิดขึ้นมาทางไหนมันจะไปทางนั้นนะถ้าว่าอิจฉาก็าาอิจฉาอยู่อย่างนั้นแล้วอิจฉาก็าเพื่ออะไรเราได้อะไรมันเป็นเรื่องของเขากรรมของเขากรรมดีกรรมชั่วของเขาในอดีตเนีถ้าเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะรู้ได้นะคณาสตาญาติโยมลูกลานนะอะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอหนุโมทนาให้พรรับพรณสีนาะ